คำชี้แจงของผู้แปลเรื่องสภาวะความเป็นอยู่ในโลกทิพย์หรือเรียกสั้นๆว่าโลกทิพย์ภาคหนึ่งนี้ข้าพเจ้าได้เก็บใจความแปลาจากหนังสือ Life in the World unseen ของ Mr. a n ต h o n y b o โทนบอเจอาจมีบางท่านสงสัยว่าเรื่องโลกทิพย์ที่แปลาจากหนังสือดังกล่าวแล้วนั้นเป็นเรื่องของฝรั่งที่นับถือศาสนาคริสต์การที่เราชาวพุทธลงแรงแปลและลงทุนพิมพ์ขึ้นเผยแพร่เช่นนี้ จะมีเป็นการช่วยเผยแพร่ศา ส, สนาอื่นไปรหรือและหนังสือธรรมะในศาสนาพุทธของเราไม่มีดีเท่าเทียมหนังสือเล่มนี้แล้วหรืออย่างไรต่อคำถามหรือข้อสงสัยประการแรกคือคล้ายกับจะเป็นการช่วยเผยแพร่ศา ส, สนาอื่นนั้นข้าพเจ้าขอตอบว่าไม่เป็นเช่นนั้นเลยในหนังสือเล่มนี้ทั้งๆที่ผู้แต่งเป็นบาทหลวงที่นับถือศาสนาคริสต์ แต่ก็ได้บรรยายเวลาแห่งด้วยกันโดยเฉพาะในเรื่องที่ว่าด้วยการเดินทางไปสู่อบายภูมิที่บอกถึงความจริงเรื่องกฎแห่งกรรมว่าอยู่เหนืออำนาจบานดาลของพระเจ้าและได้กล่าวว่าโลกที่เป็นภูมิแห่งการสวยผลกรรมที่มนุษย์ได้ทําไว้เองเป็นโลกที่แรงกรรมของมนุษย์นั่นเองได้สร้างขึ้นไว้อาจใช่เป็นด้วยการสร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าไม่อันที่จริงเนื้อหาของคําสอนเช่นนี้ ก็คือสาระแห่งคําสอนเรื่องกฎแห่งกรรมของพระพุทธศาสนานั่นเองเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านข้อความเช่นนี้ในหนังสือเล่มนี้และตลอดถึงหนังสืออื่นๆในชุดนี้ซึ่งมีทั้งหมดด้วยกันสามเล่มแล้วก็ยิ่งรู้สึกเลื่อมใสในพุทธศาสนามากขึ้นกว่าเดิมความรู้สึกเช่นนี้คงไม่ใช่มีเฉพาะแต่ข้าพเจ้าผู้เดียวเพราะการที่ภาคไทยของหนังสือเล่มนี้ได้พิมพ์มาแล้วหลายครั้งโดยชาวพุทธทุกครั้งนั้น คงจะเป็นประจักษ์พยานอันมีเหตุผลพอสมควรว่าน่าจะเป็นการช่วยเผยพร่พุทธศาสนาได้ประการหนึ่งเหมือนกันข้อสาคัญประการหนึ่งก็คือยังไม่ปรากฏว่ามีชาวพุทธผู้ใดที่อ่านหนังสือนี้แล้วจะกลับใจเป็นนับถือศาสนาคริสต์เลยอย่างไรก็ตามมีบางท่านรังเกียจว่าหนังสือเล่มนี้คือภาคภาษาไทยจะทำให้ชาวคริสต์ลายท่าน นับถือในศาสนาคริสต์ของตนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยไม่คิดที่จะกลับใจเป็นชาวพุทธเลยและหนังสือนี้จะกลายเป็นการช่วยโฆษณาให้คริสต์ศาสนาไปได้ก็ด้วยเหตุนี้เรื่องเช่นนี้หากจะเกิดเป็นความจริงเช่นนั้นไปได้ข้าพเจ้าก็ขอตอบว่าไม่เคยนึกตรงเกียร์เลยและยังแถมจะยินดีอนุโมทนาเสียอีกด้วยเพราะทาศาสนิ ก, กชนทุกคนเป็นผู้สินเสีย คือนับถือศาสนาของตนยังไม่มีมายาไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่สวมหน้ากากและเชื่อในความไม่สูญหายของผลกรรมอย่างจริงใจแล้วความเป็นอยู่ในสังคมประเทศชาติและในโลกของเราก็จะมีความสงบสุขกว่านี้อย่างที่เราคิดไม่ถึงทีเดียวต่อคำถามหรือข้อสงสัยประการที่สองที่ว่าหนังสือพุทธศาสนาเราไม่มีดีกว่านี้แล้วหรือนั้น ข้าพเจ้าใกรขอให้ท่านไกครคลวนถึงคำว่า ด, ดีซึ่งมีความหมายกว้างขวางและมัวมากแน่นอนในทางพุทธศาสนาเรามีดีกว่ามากในทางหลักวิชาซึ่งแม้ว่าดูจะเป็นการพูดเข้าข้างตัวเองอยู่บ้างก็ตามแต่ถ้าจะกล่าวในแง่ของการบรรยายรายละเอียดของเรื่องโลกหน้าให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่ายังมีเห็นว่ามีเล่มไหนที่บรรยายได้ชัดเจนเท่านี้ อันที่จริงหนังสือประเภทเดียวกันนี้ถ้าที่ข้าพเจ้าทราบก็มีพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงเธอรรมมื่นวิวิตวันณเรีชาเรื่องเพชรในหญินและมรดยูวรนน า, นาซึ่งดำเนินเรื่องคล้ายคลึงกันแต่แม้ว่าจะมีหลักวิชาสูงกว่าแต่ก็บรรยายรายละเอียดไว้น้อยกว่าอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าใครขอแนะนําว่าท่านที่ยังไม่เคยอ่านหนังสือพระนิพนธ์ทั้งสองเล่มดังที่กล่าวมานั้น ควรหาอ่านดูเพื่อเปรียบเทียบกับเรื่องโลกทิพย์นี้ด้วยเพราะพระนิพนธ์ทั้งสองเล่มดังกล่าวนั้นก็ได้เป็นแรงบันดาลใจประการหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้ามีกําลังใจแปลเรื่องนี้และทำงานประเภทนี้ตลอดมาข้าพเจ้ายินดีอนุโมทนาด้วยกับอาจารย์พรรัตนสุวรรณซึ่งได้จัดพิมพ์เผยแพร่ไปแล้วหลายครั้งเพราะอาจารย์พรมีความเห็นตรงกันกันกบข้าพเจ้าในหลักการใหญ่ที่ว่า บุคคลสมัยใหม่ส่วนมากไม่เชื่อผลของกรรมเพราะไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงที่ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงก็เพราะมองไม่เห็นหรือพิสูจน์ไม่ได้ดังนั้นหากได้มีการค้นคว้าพิสูจน์ในเรื่องนี้โดยทางเหตุผลบ้างโดยทางประสบการณ์ส่วนตัวของลหลายๆคนรวบรวมไว้เป็นข้อมูลและเป็นสถิติอย่างมีระเบียบก็อาจจะทาให้บุคคลบางประเภทที่มีจิตใจไม่ดื้อรั้นจนเกินไปหันมาเชื่อได้บ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เขาโดยตรงส่วนบุคคลที่ดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อเลยนั้นก็จำเป็นต้องปล่อยไปเพราะบุคคลบางจำพวกนั้นแม้พระพุทธองค์ก็โปรดไม่ได้อันที่จริงท้าพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าบุคคลที่เชื่อในเรื่องโลกทิพย์เช่นนี้แล้วจะเป็นผู้ที่ไม่สามารถทำความผิดอย่างใดได้เลยเพราะในบางคราวหรือว่าบ่อยครั้ง บุคคลเช่นนั้นซึ่งก็ยังเป็นปุถุชนเหมือนกันอาจจะตกอยู่ในสภาวะที่ย่อหยวนหรือคุกคามจนไม่สามารถจะต้านทานได้ก็มีในกรณีเช่นนี้แม้บุคคลผู้นั้นจะเชื่อถือในเรื่องโลกทิพย์และผลกรรมอันไม่รู้จักดับสูญแล้วก็ตามก็ยังสามารถทำความผิดได้บ้างเหมือนกันเพราะความสามารถที่จะต้านทานสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีต่างๆนั้นย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆอีกหลายประการ โดยเฉพาะก็คือบารมีกำลังสมาธิและสติคือความควบคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามก็เป็นความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อบุคคลใดเชื่ออย่างแน่ใจในเรื่องโลกทิพย์และเรื่องความไม่ดับสูญแห่งผลกรรมแล้วบุคคลนั้นย่อมมีกำลังใจต้านทา น, ทานสิ่งยั่วยวนหรือคุกคามได้ดีกว่าผู้ที่มีอุดมคติในทางวัตุนิยมล้วนๆอย่างแน่นอน นอกจากนั้นในยุคปัจจุบันลทัทธิวัตถุนิยมกำลังแผ่อิทธิพลเข้าครอบงมจิตใจมนุษย์อย่างมากมายทำให้มนุษย์ส่วนมากแม้โดยกิริย า, าการภายนอกจะเป็นผู้นับถือศาสนาหนึ่งอยู่ก็ตามแต่ในส่วนลึกของหัวใจก็มักจะไม่เชื่อและหัวรอ ย, ย่อแนวความคิดเรื่องนรกและสวรรค์อยู่ในใจหลายต่อหลายท่านแม้ถือเพศเป็นนักบวชก็รู้สึกละอายใจ ในการที่จะเชื่อว่าสวรรค์ลและนรกมีอยู่จริงทั้งๆ ท, ที่หลักการเรื่องชาติหน้าหรือสวรรค์นรกนี้เป็นรากฐานที่จำเป็นอย่างที่สุดของศาสนาทุกศาสนายิ่งแท้จริงในหนังสือเล่มหนึ่งโดยผู้แต่งคนเดียวกันนี้มีเรื่องเล่าไว้ว่ามีบาทหลวงท่านหนึ่งเขียนจดหมายมาถึงผู้แต่งบอกว่าในบรรดาบาทหลวงมีถึงแปดในสิบส่วนที่แม้จะเทศสอนเรื่องนรกสวรรค์อยู่ ก็ไม่เชื่อว่านราสวรรค์มีอยู่จริงๆในวรารสาร Golden Lotus ออกในสหรัฐอเมริกาเล่มหนึ่งก็เล่าประวัติของบุตรพระนักเทศรูปหนึ่งเด็กชายผู้นี้เล่าว่าบิดาเป็นคนฉลาดไม่ยอมเชื่อสิ่งที่ตนเองสอนผู้อื่นเลยอันหนึ่งอาจารย์พรได้เป็นผู้ช่วยเหลือติดต่ อ, อ ก, กับเจ้าของเรื่องในประเทศอังกฤษคือมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจีย ถามถึงวิธีการติดต่อกับท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันที่เขียนเรื่องโลกทิพย์ในภาษาอังกฤษโดยผ่านทางคุณชูศักดิ์ทิพยเกศร อ, อาจารย์ผู้หนึ่งของมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยซึ่งขณะนั้นพำนักอยู่ในกรุงลอนดอนจนได้รับอนุญาตจากเจ้าของเรื่องเดิมให้พิมพ์จำหน่ายได้ทั้งต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษและฉบับที่แปลเป็นไทยโดยที่เจ้าของเรื่องเดิมมิได้คิดค่าป่วยการหรือค่าลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น ข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณอาจารย์พรไว้ในที่นี้ด้วยและเพื่ออนุโลมตามมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียกับเป็นการตัดปัญหาเรื่องการพิมพ์ในครั้งใหม่ต่อไปข้าพเจ้าจึงได้มอบลิขสิทธิภาษาไทยซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้แปลเรียบเรียงนั้นให้แก่อาจารย์พรรัตนสุวรรณเป็นผู้จัดพิมพ์ได้แต่ผู้เดียวตลอดไปทั้งนี้เพราะอาจารย์พรเป็นผู้ที่สนใจในงานด้านนี้มามากและนานเป็นพิเศษ และได้ทำงานประเภทนี้ด้วยความเสียสละตลอดมานอกจากนั้นยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งในด้านการปฏิบัติและการศึกษาสามารถตอบคำถามแก้ข้อสงสัยของท่านผู้อ่านได้ดีกว่าผู้อื่นความสามารถดังกล่าวรวมกันจะทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นที่รู้จักกว้างขวางในหมู่ผู้สนใจในทางนี้และยังเป็นทางให้เกิดความเข้าใจในธรรมะของพระพุทธศาสนาในเรื่องกรรม และโอปปาปติกะได้อย่างถูกต้องข้าพเจ้าใกล้ขอกล่าวแทกไวในที่นี้สักเล็กน้อยว่าความเชื่อในเรื่องกรรมและโอปปาปติกะยังถูกต้องนั้นควรจะเป็นเช่นไรมีบุคคลบางประเภทในปัจจุบันที่มิยอมเชื่อในเรื่องอริยศาสตร์หรือกรรมหรือปฏิจจสมุปบาทเลยบุคคลประเภทนี้ข้าพเจ้าจะไม่ขอกล่าวถึง คือเป็นอันว่าผ่านเลยไปแต่ก็มีอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยที่อวดอ้างว่าเชื่อในหลักอริยสัจเป็นต้นแต่ไม่ยอมเชื่อในเรื่องชาติหน้าหรือนรกสวรรค์เลยโดยกล่าวว่าเป็นเรื่องของความงมงายเ้าพระเจ้าสังเกตว่าส่วนมากบุคคลประเภทนี้เป็นพวกที่ไม่เชื่อในทางอิทธิปาฏิหาริย์หรือไม่ก็เคยเชื่อ อ, อิทธิปาฏิหาริย์แต่ก็ได้รับความผิดหวังมาแล้ว จึงเลยเหวี่ยงแหหรือดากราดไปหมดด้วยคิดว่าการเชื่อในเรื่องนรกสวรรค์หรือเทวดาก็คงเป็นความงม ง, ง, งายเช่นเดียวกันในเรื่องเช่นนี้ข้าพเจ้าใกรขอกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าผู้ที่ปากอ้างว่าเชื่อถือในหลักอริยสัจเป็นต้นโดยใจไม่ยอมเชื่อในเรื่องโลกหน้าหรือผีเทวดานั้นอันที่จริงก็เป็นผู้ที่เชื่ออย่างงม ง, ง, ง, ง, งายอีกประการหนึ่งเหมือนกัน และดูเหมือนว่านอกจากจะงมงายแล้วยังหลอกตัวเองและหลอกผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยจริงอยู่ผู้ที่เชื่อในเรื่องโลกหน้าและผีเทวดาบางเหลา่าก็อาจยังมีความงมงายอยู่บ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เป็นผู้หลอกตนเองและผู้อื่นแต่ประการใดนอกจากในรายที่หลอกหากินเป็นอาชีพ ส่วนการที่ความเชื่อในเรื่องนรกสวรรค์ผีเทวดาเพียงใดจึงจะเป็นความไม่งมง่ายและในลนาาักษณะใดจึงจะเป็นความงงง่ายนั้นข้าพเจ้าขอแนะนําให้ท่านผู้อ่านเรื่องนี้ได้อ่านหนังสือเรื่องผีและเทวดามีจริงของอาจารย์พรรัตนสุวรรณดูให้ตลอดเล่มคือควรอ่านให้ตลอดมิฉะนั้นอาจจะทําให้เข้าใจทัศนะของผู้แต่งผิดพลาดไปได้อย่างน่าเสียดาย หนังสือชุดโลกทิปของมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียมีอยู่สามเล่มด้วยกันความประสงค์ของข้าพเจ้ามีเพียงเพื่อช่วยให้บุคคลส่วนมากที่ยังเข้าใจผิดคิดว่าชาวตะวันตกหรือชาวฝรั่งไม่เชื่อในเรื่องนี้นั้นได้ทราบความจริงในเรื่องนี้บ้างตามสมควรความจริงหนังสือประเภทนี้คือที่แต่งโดยบุคคลผู้มีชื่อเสียงอื่นๆที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่มากกว่าที่เราคิดไว้เป็นอันมาก ั้งในยุโรปและอเมริกาเฉพาะที่ข้าพเจ้ามีไว้ในครอบครองก็เป็นจำนวนไม่น้อยแต่เป็นที่น่าเสียใจอยู่อย่างหนึ่งว่าหนังสือประเภทนี้ไม่ค่อยมีจำหน่ายในประเทศไทยหลายเล่มต้องสั่งจากต่างประเทศโดยผ่านทั้งร้านจำหน่ายหนังสือบ้างหรือผ่านทั้งญาติมิตรที่อยู่ในต่างประเทศบ้างในที่สุดนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศล อันเกิดจากน้ำพักน้ำแรงที่ได้แปลหนังสือเล่ม น, นี้ออกมาโดยไม่ได้หวังประโยชน์อื่นใดนอกจากให้เป็นสเสบียงของตนเองในโลกทิศบางเท่านั้นให้แก่ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายตลอดจนถึงท่านผู้มีใจเป็นกุศลที่ได้นำเรื่องนี้ไปพิมพ์เผยแพร่ครั้งแล้วครั้งเล่าโดยทั่วกันลงชื่อสิริพุทธสุข12สิงหาคมพุทธศักราช2508 จะทำเป็นเสียงอ่านในปีพุทธศักราช2565